ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ที่ลืมไม่ได้คือดวงที่สองถึงดวงที่หกของอดีตชาติอันนี้เรียกว่ากตัตตาวาปณ ะ, ะกรรมกตัตตาวาปณ ะ, ะกรรมคือเจตนาดวงที่สองถึงดวงที่6จะนำเกิดพบใหม่ต่อไปฟันผู้ที่เจริญวิปัสนาชั้นสูงเนี่ยเขาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเป็นภัยอันเี่ ภยคืออะไรบ้างชาติภัยชราภัยพญาที่ภัยมรณะภัยเป็นต้นแล้วมันยังไม่พอมันเป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมใหม่เพื่อที่จะสร้างภัยไปใหม่เนี่ยนะนำเกิดต่อไปเนะี่ยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมีอมิตรเนะีเป็นเรื่องล่อของมารทั้งนั้นเลยนะมีอมิตรคืออะไรเหยื่อของบาปของอกุศลทั้งหลายแล้วก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น และสิ่งเหล่านี้นับเนื่องในทุกขตาสามใช่บางอย่างก็เป็นทุกข์ทุกบางอย่างก็เป็นวิปริณามทุกข์บางอย่างก็เป็นสังขารทุกข์เลยนะนแป ล, ว, แลว่าเจตนาที่ประมวลเพื่อนําเกิดประมวลนําเกิดเนี่ยเพื่ อ, เ พ, อเพื่อปฏิสนธินี่นะงั้นถ้าเราจะวิเคราะห์มโนก็เนี่ยผวัง ก, กุศลอกุศลและปฏิสนธิในภพต่อไป นั้ น, ะนอย่างเมื่อกี้นะกล่าวว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยในภพหนึ่งเราหลับมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ควรที่จะให้เอามันผ่านไปเฉยเฉนะน่าเสียดายนะชีวิตไปตั้งเป็นหลายๆแสนนาทีนะควรอย่างยิ่งที่จะเอามาทําปริญญาถ้าทําปริญญาในตัวนี้มากสิ่งที่จะสังวรมากขึ้นคือตัวนี้เพราะอายุหะนะ น, นะถ้าเกิดมาชาตินี้พื้นฐานไม่ฉลาดเลยสิ่งที่จะแต่งใหม่ได้คือแต่งอันนี้ แต่งอายุหะนะถ้าเกิดมานะอุปาทธาปะวัตตนิมิตตเกิดมาตระกูลต่ำไอ้ที่แต่งคือแต่งอันนี้แต่งอายุหะณนะกรรมใหม่แต่ในในสำนวนนี่นะเฉพาะถ้าตามเนื้อเรื่องอุปาธาปะวัตตนิมิตต์อายุหะณนะปฏิสนธิคตินิพัติเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องวิปัสนาชั้นสูงแต่ว่ากล่าวไปแล้วก็คือปัจจุบันผลอันนี้ปัจจุบันผลมาจากอดีตเหตุปัจจุบันเหตุ เพื่ออนาคตผลต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชั้นสูงเขาต้องการทำยังไงจะสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ได้เถ้าถ้าจะสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้อันนี้คือปหานะปริญญาฉะนั้นถ้าทำยังไงที่จะไม่หวั่นไหวในสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าไม่หวั่นไหวในสิ่งเหล่านี้ได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้แต่ถ้าจะไม่หวั่นไหวนะพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความหวั่นไหวหมดใช่ สังขารทั้งหลายตัวมันเองนะมันเป็นจระโตอ่ะเป็นของวันไหวอยู่แล้วเอชาตัญหาก็ไปปรารถนาอย่างในตัวตันหาก็วันไหวสิ่งที่ถูกรู้ก็วันไหวเพราะฉะนั้นจะต้องเรียกว่าถอยกลับจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอารมณ์ น, นั้นพันธุพนานนั้นธรรมะที่ไม่ไม่วันไหวนั้นจะต้องทำให้แจ้งธรรมะอันนั้นจึงจะเลิกวันไหวได้ ภาวตะนี้หมายถึงความเป็นไปทีนี้บางคนเหมือนว่ า, วาบางคนไะมันต้องความวไปของชีวิตเอเราบาง แ, แต า, าต้องลบากชชีวิตเนก็จนแต่บางคนที่สบายชังชีวนะิตเตก็ก็เ น, น, นี่ย <c oughs> นะ <c oughs> ก็เหตุของเขาก็คือเช่นทานทานเป็นเหตุแห่งโภคะเนี่ยนะ อันนีเ้เราพูดถึงว่าประโยคะนะถ้าประโยคะเท่ากันเหมือนกันเถอะสมมุติว่าตื่นวันละแปดชั่วโมงเอาแล้วเป็นแบบเราศึกษาชีวิตในห้องเรียนมานะคะใครเกิดมาเพื่อนๆ ก, กันที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยสมมติว่าสติปัญญามันพอๆกันอะไรตื่นตัวคล้ายๆ ค, คลึงกันอะ่ะทาไมวิธีอีกคนหนึ่งอ่ะมีใช่ไหมอีกคนหนึ่งไม่มีตื่นๆเหมือนกันเนี่ยก็เว้นประโยคะนะก็คือทานอันนี้อดีต อดีตก็คือทานนะักุศลนั่นเองก็คือผลของกรรมในอดีตไงผลของกรรมในอดีตนี่ทํามาแตกต่างกันนะไม่ใช่จะมาเกิดท้องเดียวกันแล้วเพราะว่าทํากรรมเดียวกันนี่ไม่ใช่กรรมที่ที่มานําเกิดที่มาอุปธรรมพระ ก, ะกรรมเป็นต้นเนี่ยแตกต่างกันคือกรรมที่ที่นําเกิดเนี่ยไง อย่างเราวิเคราะห์เมื่อกี้เนี่ยคือหนึ่งในจํานวนเนี่ยว่าอาสัญกรรมผนหุลกรรมหรือกระตัดตาวาปะนะกรรมเช่นบางคนเนี่ยอาสัญกรรมระลึกก่อนตายเนี่ยคือเจตนาที่ระลึกถึงทานนกุศลก่อนตายอย่างเงี้ยนะทานกุศลก็เป็นตัวนําเกิดอันนีน้พื้นฐานคนนี้จะมีโภคะอยู่แล้วทีนี้ถ้ามีโภคะดูที่ชุดหนึ่งอีกเรื่องกรรมคือกลุ่มอุปธรรมภกะกรรม ว่าเมื่อมาเกิดแล้วอุปธรรมภรกรรมเนี่ยดีขนาดไหนเพราะบางคนเนี่ยเวลาปฏิสนธิมาเนี่ยกรรมไม่มีกําลังมากเป็นกรรมชนิดธรรมดาธรรมดานําเกิดแต่ว่าพอเกิดมาแล้วอุปธรรมภกกรรมดีสํานวนว่าอ้าวเกิดมาเนี่ยมาเกิดท้องคนธรรมดาทั่วๆไปแต่พอหลังจากเกิดปั๊บอุปธรมภรกรรมนะพระราชารักเท่าลูกเลยนะอนาคตครองมรลังเนี่ยนะสมมติว่นคืออันนั้นอุปธรมภรกรรมดี อันนะั้นอย่างเช่นอย่างช้างบางตัวเนี่ยโอ้โหเกิดมาเนี่ยต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานใช่ไหมแต่ว่าเป็นเดรัจฉานที่ที่แบบคนใหญ่คนโตเขาเลี้ยงอะไนะก็เลยดีไปเลยอย่างเง้ยนะหรือเกิดเป็นสุนัขเนี่ยแต่ว่าเป็นสุนัขแบบว่าโอ้โหเบาะรถเบ้นข้างหลังนี่แกนั่งอยู่คนเดียวอย่างเง้ยนะคือเป็นสุนัขมีบุญเนี่ยนะก็คืออุปถัมภ ะ, ะกรรมมาเลี้ยงตอนหลังนั่นเองไปที่ไหนเขาก็แบกเอามันไปด้วยอนะไนอาบน้ําให้มากอะไรให้มากะนะเป็นต้น คือในบรรดาชีวิตของเราเนี่ยนะสมมติถ้าถ้าเอาเอ า, เอาแบบเปรียบเป็นรูปธรรมมนะเหมือนเหมือนรูปธรรมก่อนว่าในโลกเนี่ยเวลาเราเกิดมาเรามีพ่อแม่กันแค่สองคนใช่ไหมบุคคลที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็แบ่งเป็นสองพวกแบ่งเป็นสามพวกหนึ่งพวกอุปธรรมเราคือคือพวกฝ่ายเราอะนะที่คอยช่วยเหลือเราตลอดอีกพวกหนึ่งพวกเบียดเบียน คือเห็นเราดีไม่ได้นะพวกมาขัดขวางความเจริญเราตลอดอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปถ้ามองว่าคนในโลกเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มที่พ่อแม่กลุ่มที่มาช่วยเหลือเรากลุ่มที่ขัดขวางเราชั้นใดถ้าเจตนาทั้งหลายก็เหมือนกันมันจะมีเจตนากลุ่มที่นําเกิดเปรียบเหมือนพ่อแม่เจตนาอื่นๆอีกก็คือพวกมาอุปถัมภ์กับพวกที่มา เบียดเบียนถ้าเจาตสมมติถ้าเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยนะต้องเป็นบุญอย่างเดียวจึงจะมาอุปธรรมอกุศลมาเบียดเบียนแต่มันมีไอ้ที่หนักกว่านั้นคือมาตัดเลยก็มีมนั่นนะก็คือขันนิมิตแปลว่าเครื่องหมายคือคุณอย่าไปคิดสับมากนะ คือถ้าตรงนี้นะพยายามคิดอัดเลยเดี๋ยวกั้นจะไปเรียนพยัญชนะไปมองว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายว่างั้นเถอะเนี่ยไอ้ทราบว่าอุปาธาปวัตตานิมิตะนะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่แหละที่นั่งๆกันนะถ้าใครถอดระลึกชีวิตตัวเองได้ตลอดสายนั่นแหละอย่างบางท่านก็อาจจะระลึกได้ตั้งแต่อยู่ในหอบยังไงมาก็ระลึกมาตลอดเลยนะอุปาธาปวัตตานิมิตะมาจนถึงทุกวันเนี่ยก็ระลึกกัน มัน อ, อยู่ที่ก่อนตายเนี่ยสำคัญเนี่ยไงคือเจตนา อ, อาสารนกรรมเนี่ยนะมันคิดก่อนตาย อ, าอันนี้เราพูดถึงเทสะรูกรรมอาสารนกรรมผะหูลกรรมกาตต า, ตาวาปะนะกรรมเพื่อเราจะวิเคราะห์ปฏิสนธินะไม่ใช่มาวิเคราะห์เนี่ยวิปัญจถ้าทวิปัญจะเนี่ยผหูลกรรมเป็นอะไร เป็นประโยคะเพื่อให้มีทวีปัญจะในในชีวิตประจําวันแต่นี้ไม่ได้มองในแง่แค่ให้ผลเป็นทวีปัญจะวิญญาณจิตแต่ให้มองแบบที่จะนําเกิดชาติหน้าว่าชาติหน้าจะเกิดที่ไหนต่อหนึ่งถ้าไม่มีครุกรรมที่สนใจคืออาสนกรรมอย่างเช่นนะในห้องเราก็มีหลายท่านคนที่สนใจเรื่องศีลมากคือคนที่ให้ความสําคัญกับอาสนกรรมเพราะอย่างน้อยจะคิดถึงว่าเออเนี่ยศีล น, นี่แหละก่อนนี่แหละคือจะได้เป็นอาสนกรรมไง เนี่ยไปทําอย่างอื่นมาทํามากทาน้อยไม่สําคัญสําคัญอยู่ว่าก่อนตายคิดถึงอะไรก่อนแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มีโยมคนหนึ่งเข้ามาถามเออท่านสมัยนี้มันไปเข้าห้องไอซูอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ตายง่ายอย่างเงี้ยทำไงอ่ะไม่มีใครไปบอกไปเตือนอะไรด้วยสลึมสลึมสลือสลือจะสลบไม่สลบแหลจะฟื้นก็ไม่ฟื้นจะสลบก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะกึ่งหลับกึ่งตื่นตื่นตื่ น, นหลับหับเนี่ยทําไงดีก็บอกว่าสุดแท้แต่วาสนาเถอะ พก็ดูว่าชีวิตที่ผ่านมาทํากรรมอะไรไว้เพราะอาสานะกรรมทําไม่ได้ง่ายเพราั้นชีวิตก็เหมือนกับว่าเหมือนกับชีวิตที่อยู่บนความเคลื่อนเคลิ้มตลอดอนะถ้าอดีตทําอะไรมามากใจประวัติถึงอันไหนก็ไปอันนั้นนั้นก็นับว่าเสี่ยงมากก็เลยเคยถามหมอบางคนที่ศึกษาดัมมาบอกว่าหมอจะเลือกตายอยู่โรงพยาบาลหรือที่บ้านเขาบอกว่าเขาขอเลือกตายที่บ้าน แต่ถ้านของเรามีบุญทั้งหลายลูกเขาไม่ยอมไม่อย่างนั้นเราต้องไปเสียบสายยางเสียบอะไรเยอะๆกนน่นะผมจะเล่าเรื่อง อ, <c oughs> อุปธรรมพรกกรรมที่ชัดเจนมากอยู่ยเรื่องหนึ่งที่ผมกับพระอาจารย์สมบัติไปกรุงเทพอ่ะเจ้าไปไปไปท่านอาจารย์ไปแสดงธรรมที่นั่นเจ้าของบ้านเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาล ก็ใหญ่โขอยู่นะแล้วก็โรงพยาบาลนั้นก็มีคนมามีมีเด็กทกสาวอะ่มมะมามามาทําแท้งแต่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมทําเขาก็ช่วยให้จนกระทั่งคลอดอยู่คลอดอะ่ะนะตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลก็มีคนที่คลอดแล้วทิ้งเยอะเมากันใช่ไหมซึ่งเจ้าของบ้านนี่ก็เก็บมาเลี้ยงอยู่หลายคนในเวลานี้นะ ตันี้ก็มีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งเป็นเป็นเด็กผู้ชายก็ทิ้งไม่กันไอ้คนนี้เสียงเสียงร้องมันดังมากเลยเนะ่มันร้องดังมากเลยนะเขาตั้งชื่อมันว่าไอ้ก้องฟ้าไอ้กองฟ้านี่มีวันมันร้องดังมากก็มีมีมีมเศรษฐีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะเขาเขาอยู่บนชั้นบนอยู่ตึกทังชั้นสาม เขาได้ยินในเสียงมันดังเหลือเกินหมอนี่เขาก็ลงมาดูพอลงมาดูปรากฏวว่าเออเขาดูแล้วหน้ามันเหมือนเหมือ น, เ ห, อนเหมือนสามีเขามั้งเนะนะแล้วก็รู้ว่าไอ้หมอนี่ไอ้ก อ, องฟ้านี่ถูกทิ้งด้วยใช่ไหมเขาก็เลยไปขอเลย ข, ขอจะจะของโรงพยาบาลเนี่ยบอกขอไปส่งที่บ้านเลยนะ เอาไปเลี้ยงแล้วก็ไปส่งแล้วมันตองมาอีกแล้วนะส่งเลยคราต้อการที่จะปิดเลยว่าให้เป็นลูกเขาอะนะไอ้กองฟ้าเลยได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนะิปลานะวเวลานี้นะนะนี่เรื่องนี้เรื่องจริงนะแล้วก็ไม่นานเมื่อเร็ ว, ร ว, รวนี้ด้วยนี่เป็นผลของอุปธรรมพกกรรมเนี่ยซึ่งเร็วมากเลยไอ้กองฟ้าตะโกนไม่กี่ทีมีคนมาช่วยเลยนะ ถ้าไม่ทำบุญไว้ให้ให้ให้ใหใหใหตะโคนจนคอแต่ก็มันมีใครมานี่ยนะแล้วก็ผู้ที่มีอุปธรรมพระ ก, กรรมดีก็สบายน่ะ น, ะนะของพวกเราประโยคน้ามันนะพวกกันหวังอุปธรรมพรกกรรมแย่แน่ นะย้อนกลับมาครั้งหนึ่งนะเรื่องไอปฏเออิเรื่องผวังเนี่ยคือการทำวิเคราะมโนเนี่ยนะเพราะว่าตัวพวังหรือพื้นฐานมโนก็คือการมาคร้ครวญถึงความคิดทั้งที่ผลออกมาคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งจะมีผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะฉะั้นถ้าเรามอง กรรมและผลของกรรมที่กําลังทําอยู่นี่ซึ่งจะมีผลต่อไปยังไงในอนาคตก็จะทําให้มองสาวไปหาอาดีตได้ง่ายขึ้นนั่นเพราะหลายๆสูตรพระผู้มีพระภาคแสดงตั้งแต่เหตุปัจจุบันเนี่ยนะเพื่อจะให้มีผลต่อไปในอนาคตถ้าแสดงอย่างไงปั๊บเนี่ยนึกออกเลยว่าอ๋อไอ้ผลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มาจากอดีตคล้ายกันนั่นนะ อย่างเช่นสูตรทั่วๆไปที่เราฟังก่อนๆใช่ไหมคืออาศัยมโนโกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณธรรมะสมอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยมีอะไรตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีภวังเนี่ยนะก็ย้อนกลับมาหาผวังถ้าน่าจะรู้ผลว่าผวังเป็นยังไงก็สังเกตจากเจตนาที่มีอยู่นี่แหละนี่ยนะ ผู้ที่มีกรรมมศกตาดีๆเนี่ยนะจะไม่ประมาทในเจตนานนะจะให้ให้ความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองรักษาเจตนาเป็นอย่างมากเพราะว่านั่นคือพบใหม่ เ, เราจะเห็นว่าตัวภวังนี่นะจะแสดงจะแสดงถึงถึงอุปนิสัยเก่าๆของเราด้วย ถ้าบุคคลในชาตินี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาในเรื่องทานก็นแสดงว่าในอดีตนั้นะตัวคุณภาพของผวังเขาเนี่ยเ ข, เขาก็คงจะหนักมาในเรื่องให้ความชินในเรื่องการให้ทานทําจนเป็นดวงวิสัยนะครับหรือว่ า, าถ้าหากว่าเขาสนใจในเรื่องภาวนาเนี่ยนะแสดงว่าในอดีตเขาก็ต้อง เกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษาธรรมะธรโมวินัยเนี่ยไม่งั้นมานั่งมารวมกลุ่มอย่างนี้ไม่มานั่งอย่างนี้หรอกนะครับแสดงว่าในอดีตก็ก็เป็นมีวุฒิสัยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยสอถึงในอดีตว่ามีส่วนมากทีเดียวที่มีอุฒิสัยอย่างนั้นใช่ถูกไหมครับเป็นเพราะว่าในชาดกนะถ้าใครอ่านชาดกมากๆจะเห็นชัดเลยว่าอันถ้าพิสูรรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะี ไปมีอกุศลกับผู้หญิงคนใดเนี่ย mm hmm. พระองค์ก็จะเล่าบอกพิสูจทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนะก็จะเล่าอเออเธอไม่ใช่ชอบคนเนี้ยแต่ชาตินี้เท่านั้นนะชาติน้นก็นเล่ามาแล้วเธอก็ไปชอบอย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วก็ประกาศโทษของกามหรืออะไรก็แล้วจะได้ประกาศอริยุสัปด์ต่อไปอย่างบางคนเนี่ยไม่มีหีริโอตาปะพระองค์ก็แสดงเหตุนะอดีตนี่ก็ก็มีหีริโอตาปะนะทำไมชาตินี้เธอไม่มีหีริโอตาปะ บางทีก็มีในแง่กลับกันก็มีในแง่ในแง่แบบเขาคนดีมามาตลอดอยู่แล้วเนี่ยนะอดีตชาติเขาก็คนดีเหมือนกัน อ, อย่างอย่างเช่นมีสูตรหนึ่งที่คนหนึ่งนั่งฟังทำนี่ง่วงมากนั่งตื่นตื่นแล้วหลับนี่ไงนะผมก็บอกเออเป็นงูมาห้าร้อชาติเนี่ยนะว่าอัธยาศัยชอบหลับก็มีมาตลอดอยู่แล้ว อ, อ้าวเจ้านี้นั่งดูแต่ดาวเนี่ยนะอัธยาศัยดูเลิกดูยามมานานแล้วเนี่ยนะ ไอ้คนเนี่ยนั่งขี่แต่แผ่นดินเลยนะสมัยนี้ก็นั่งวาดการ์ตูนเต็มสมุดไปหมดนะบอกเอออัทยาศัยก็ประเภทอยู่ใต้ดินนั่นแหละกลุ่มนี้มุดดินอยู่นะมันมีแมงอะไนั้นแมงกระชอนแมงอะไรอย่างอื่นอีกที่เพ้นพลใจเดือนนะพวกนี้ก็อยู่มุดดินนั่นกันหมดอ่ะหรือไม่ก็ไอ้พวกหนึ่งเนี่ยตบอกก็นั่งเขย่าแต่ต้นไม้เน่ะนะนั่งขยุกขยิบขยุกขยิบตลอดอ่ะมันก็มีอัธยาสัยว่าเออพื้นฐานนะอัธยาศายลิงมา คนหนึ่งเนี่ยนั่งเพ่งไข้ครวรอย่างละเอียดทบทวนตั้งใจฟังก็แสดงว่าอดีตเกิดเป็นผู้ไข้ในการเรียนมาเนี่ยนะก็มีอัธยาศัยฝักใฝ่ในการเรียนนะนะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธสิ่งแวดล้อมใหม่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนะเพราะเพราะว่าเรายกให้กรรมเก่าหมดก็ไม่ใช่ผู้าศาสนาเราไม่ใช่าศาสนาปบผ้าเหตุกววาด ปุภาเหตุกาวาดแปลว่ายกให้กรรมเก่าหมดเลยทุกอย่างเนี่ยจะสุขจะทุกกรรมเก่าบันดาลหมดเลยก็ไม่ใชก่ก็ไม่ปฏิเสธนะอย่างเช่นในสรีระร่างกายของเราเนี่ยในผู้สศาสนาก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วนใช่ไหมแต่ที่เราเกิดมาด้วยผลของกรรมก่อนนะแต่ถ้าถ้าร้อยเปอร์เซ็ตก็ยี่บห้าเปอร์เซ็นตที่เหลืออีกอาหารอีกใช่จิตอีกอุตุอีกเนี่ยนะก็อย่างละยี่สิ้าเอร์ซ็นก็รวมเป็นร่างกายอย่างนี้แหละ ก็จะไหนๆก็ว่าบอกกินอาหารไม่บัญญัติบัญญังเสร็จแล้วก็โยนไปให้กรรมเก่างันก็ไม่ใช่นะหรือว่าโทสะตลอดเนี่ยแล้วเอามาพิกเอามาพาดเกิดแล้วยกให้กรรมเก่างั้นก็ไม่ใช่นั้นก็ยกปัจจุบันด้วยในขณะเดียวกันนะนะก็อย่างละยีเอร์นะเราจะไปปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ทีนี้การมองกรรมเก่าก็คือมองให้เห็นว่าอดีตเหตุ ในผู้ศาสนาพูดถึงอดีตเหตุเพื่อจะได้มองปัจจุบันเหตุนั่นเองเพราะว่าอดีตเหตุทําให้มีผลในปัจจุบันฉะนั้นสิ่งที่เราทําปัจจุบันคือผลที่จะมีต่อไปในอนาคตต่อไปเนี่ยนะฉั้นวงจรอันนี้น่าพอใจไหมนั่นแหละอันนี้คือที่มาของคนที่จะออกจากวัตตก็อยู่ที่ตรงพื้นฐานความคิดอันนี้มีมากพอใจไหมวัตตาอันนี้ทีนี้ถ้าไม่พอใจ อ่ะละก็อย่างสูตรเมื่อกี้บอกว่าไอ้ความพอใจเนี่ยนะตัณหาไอ้ตัณหาเนี่ยเอชะตัวเนี้ยความพอใจเนี่ยมันเหมือนโรคเหมือนฝีเหมือนกับลูกศร น, นะพระพุทธเจ้านี้ไม่มีโรคไม่มีฝีไม่มีลูกศรแบบนี้อีกแล้วทีนี้คิดยังไงจึงจะหมดโรคหมดฝีหมดลูกศรเนี่ยนะก็มาไห้ควรวญเนี่ยนะเพราะรู้อยู่แลวว้วว่าไอ้ตัวหวั่นไหวนี่นํามาซึ่งการเกิดในภพใหม่เนี่ยนะทำยังไงที่จะไม่หวั่นไหวเข้า แล้วก็ให้ไม่สําคัญในธรรมะทั้งมวลนะไม่สําคัญในไรทวานตาทวานหูทวานจมูกทวานลิ้นทวานกายและทะวานใจทีนี้บุคคลที่จะไม่สําคัญในสิ่งเหล่านี้ด้วยตัณหามานะและทิฏฐิก็เนื่องจากทำรรปริญญามายาบริบูรณ์เนี่ยนะคือใครครวญทุกอย่างจนไม่มีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งตัณหานะคือคือพิจารณา ม, มากขนาดนั้นคือน้อมจิตไปคิดอารมณ์ใดก็ ตัญหาตั้งอยู่ในวัตถุนั้นไม่ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาที่เข้าไปใคร่ครวนโดยอาทีนวะนี่มีกำลังมากนนะอันพื้นฐานเหล่านี้อยู่ที่ประโยคะนะก็เออเราลองมาคิดดูทีนะะในเรื่องการทำปริญญานี่ฮะน่าจะร่วมกันร่วมกันแล้วก็แล้วก็วกอะไรอะ่ะแจกแจงความรู้แจกจ่ายกันแชร์กันอนะ เช่นสมมติว่าเราหลายคนนะฮะต้องการที่จะทําปริญญาอะไรทุกอย่างเนี่ยสมมุติว่าภาวะเนี่ยหรือว่าปฏิสนทธิจิตเนี่นะฮะแล้วเราก็ช่วยกันที่จะวิเคราะห์มาเพราะว่าการทําปริญญาหมายว่าการรอบรู้รู้ทั้งหลายรู้เรื่องทั้งหลายอย่างละเอียดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะครับน่าจะช่วยกันส่งเคราะห์กันได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความรู้อะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องเยอะอเป็นเรื่องละเอียดใช่ไหมฮะ ก็ช่วยกันวิเคราะห์ออกมานี่นะฮะแล้วก็จดจำกันไปมีกล่าวมั้ยครับเรื่องนี้หรือว่ามีแต่ครูอาจารย์ท่านสงข้อให้คือสมัยก่อนก็กมีสนทนากันทั้งคืนอยู่แล้วก็คือการสนทนากันนั่นเองคือถ้าถ้าเป็นโบราณจริงๆอ่ะนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็คือสมัยที่ที่เรียกว่าต้องการข้อมูลก็กดมาได้เลย โดยที่เรียกว่าไม่ต้องเอ้าแกไปค้นมาไ ป, ไปนไป น, นั้นไปค้นมาไปฝากคนนั้นไปค้นไม่ต้องอย่ารู้เรื่องนี้ที่ไหนอ่ะก็ดึงมาเอาเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้นนนนนนโดยที่เรียกว่าไม่ต้องว่ามามาอ้าวไปค่วยคน้นมาทีอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องเนี่ยนะคือ <c> พ <ute> <ๆ>ื้นฐานในในอย่างในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอ่ะคือเป็นคําสอนที่เรียกว่ามีความบริบูรณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยนะ แต่ทีนี้การอาศัยกัลยาณมิตรเป็นต้นเนี่ยก็สําคัญในเรื่องสปายะนี่ยอย่างพระอนุรุทธะพระกิมมิละเป็นต้นสมองค์เนี่ยนะก็สนทนากันเนี่ยทุกห้าวันทั้งคืนนั่นนะท่านสามองค์เนี่ยนะอยู่กันสามรูปแต่กางวันไม่คุยกัน น, นะห้าวันเนี่ยแทบไม่คุยกันเลยจะคุยกันอีกวันทุกห้าวันถ้าคุยกันก็ทั้งคืนนั่นนะเอาปิดกใดปีดกหนึ่งมาสนทนากันหรือคุณ ผู้ที่ร่วมฟังอยู่ด้วยจะได้จะไ ด, จะได้ข้อมูลไปมากสักแค่ไหนเพราะนั่นคะ่ะถ้ า, ถาพื้นฐานเหล่าเนี้นะอยู่ที่ว่าการสนทนากันเนี่ยถ้ามีความรู้มากสนทนาการเนื้อหามันก็ได้มากแี่ใ น, นถ้าคนไม่มีความรู้ไม่รู้จะคุยอะไรแม้แต่ของมาพูดธรรมะเหมือนกันนะทุกตเตีววันเนี่ยอยู่ที่คนฟังเนื้อหานั้นจะเดินเรื่องไปยังไงจะเอาเรื่องยากมากขยายหรือเอาเรื่อง เป็นจะหนักเข้าจะไปหาชาดกและหน้าอะไรเงี้ยนะก็หน้าคนฟังจะบอกเองว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยนะไม่ใช่ที่อยู่ที่เนื้อหาเนี่ยนะเพราะถ้าว่าว่าไปตามเนื้อหาทั้งรุ่นเลยเนี่ยนะก็ก็สมมติว่าต้องโหต้องทําสมาธิมาอย่างน้อยคนละหนึ่งชั่วโมงกันละค่อยมาฟังเนี่ยนะต้องไปเจริญกรรมาฐานเป็นอย่างดีคนละหนึ่งชั่วโมงมาก่อนแต่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยแปรรมเสียที่ไหนมาก็ไม่รู้เนี่ยนะก็มานั่งฟังทำซะหน่อย ก็ง่ายมากครับไปดูในสังขารเป็นปัจัยแก่วิญญาณนะในปฏิจ จ, จสมุปบาทนะสังขารเป็นปัจัยแก่วิญญาณนั่นแหะครับแล้วนี้แล้วสรุปว่ากวางนี้ที่นําเกิดนลังจากนาเกิดไปแล้วเนี่ยกวังประเภทเดียวกันเปงไหมายว่ากวางประเภทเดียวกันมีปัจจัยสืบเนื่องไปจลอท่าแต่จะเกิดประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันประเภทเดียวกัน ระหว่างอทวารระหว่างวิถีวิจิตอะไรประเทศเดียวกันไปตลอดชาติไปสมมติเราเกิดมาติเกศหรือว่าทวิเกศก็ว่าไปหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นว่าไปสักสิบครั้งได้มั้งบางทีก็เกินอีกเ่านิวายปฏิสนธิผวังจุติมันจิตประเภทเดียวกันนั่นะงซึ่งอพื้นฐานอันนี้ถือว่าโอ้โหเบสิกอย่างอย่างชนิดที่เรียกว่ามันมันประเชษหนึ่งแล้วว่างั้นเถอะ แต่ถ้าพื้นฐานไอความรู้น้อยจริงๆเลยนะเชื่อมอะไรไม่ค่อยติดเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าจะทําปริญญาอะไรได้บ้างอนะไรอ้าวมโ น, โนอย่างเงี้ยนะ อ, ยนอะไรนะมีเจิตสิกเกิดกี่ดวงด้วยนะั่งนั่งคิดอีกอาศัยวัตถุอะไรเกิดบ้างนะนะตื่นไม่พักหนึ่งนะ่ะคิดไปเรื่องอื่นนะกลับมาเรื่องนี้ต่อหอน่อย น, นะโอ้ได้เวลาแล้วไปคิดเรื่องอื่นต่อนะนะอันนี้ก็โหนับว่ามันยากเย็นจริงๆถ้าถ้า ถ้าความรู้ไม่พอนะี่ยยิ่งช่วงนี้คนวิสุทธิมรดุด้วยเนะี่ยถ้าพื้นฐานเราจําอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยแทบไม่ใช่ฐานะเลยที่ที่จะเจริญวิชานี้เนี่ยไอ้ที่เรียกว่าทําปริญญาด้วยเนี่ยตั้งกตยาตะปริญญาเป็นต้นอย่างที่เราคุยกันเนี่ยคร่าวๆทั้งนั้นเลยเราไม่ได้คุยละเอียดสักเรื่องเลยนะเพราะว่าเจาะละเอียดลงลึกมากมาค่อยได้เพราะว่าจริงๆแล้วในเนื้อหาจริงๆอ่ะท่านลึกมากน ให้เห็นว่าโอ้โหห่างห่างท่าเทียบแต่รุ่นยุกยุค ก, ก่อนๆนะเราโอ้โหห่างกับท่านมากห่างห่างมากจริงๆนั่นแหละ <c oughs> มันก็ก็เอาเท่าที่ได้นะผมมาก็ทําใจอย่างนี้แล้วเท่าที่ได้ก็พอใแล้วคนอ่านหนังสือเที่ยวเดี๋ยวจะจำได้แล้วผมมากลับไปกลับมาตั้งสามสี่เที่ยว จ, จาไม่ได้ความจำแต่ละคนไม่ไเหมือนกันอืดีแล้วครับอย่างนี้ก็ผมก็ได้ อย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดก็ทำปริญญาอะไรได้เข้าคลาวแต่ก่อนนี่ไม่รู้เรื่องเลยเ<อ>รไม่เคยสอน่ไหมครับขอใจค่อจริง ๆ, ๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเจอกันตลอดคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะจะแสดงธรรมเนี่ย จะต้องมีตัวอย่างมาให้ทีนี้บุคคลที่จะฟังเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับพระเทวทัพอย่างเงี้ยนะทีนี้ซึ่งชาติที่พระองค์เกี่ยวข้องกับพระเทวทัพเนี่ยจริงๆอาจจะกลับหนึ่งเจอกันครั้งเดียวอย่างเงี้ยนะซึ่งแต่ว่าก็เก็บมาเล่าบ่อยอะนะเก็บมาเล่ากเก็บมาเล่าะนะเพราะอะไรเพราะว่าตัวตอนนั้นเนี่ยพระเทวทัพท่านชื่อเสียงท่านดังมากดังในแง่เนี่ยออกข่าวไม่ดีอะนะมีมาตลอดนั้นพระองค์ก็จะเอามาเล่าอะ เทวทัศนนี่คิดไม่ดีต่พอพระองค์มาหลายชาติแล้วนะชาติโน้นบ้างชาตินั้นบ้างแต่จริงๆแล้วอ่ะแต่ละชาติที่เจอกันเนี่ยห่างกันบางทีเป็นกลับก็มีเนี่ยนะ เ, เจอพร้อม <c oughs> ใช่ไม่ใช่ว่าไม่เจอคนอื่นเนี่ยนะ <c oughs> ใช่ไม่ใช่ <c oughs> พระเทวทัศท่านก็ไม่ใช่เป็นคนชั่วบริสุทธิ์ะนะไม่ใช่เป็นคนชั่วแบบเรียกว่ามัมีความเลวอยู่ในตัวตลอดการไม่ใช่ ถ้าแกเลวตลอดแกไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นเอ่อเป็นพระราชามหากษัต ร, ริย์อยู่แล้วแต่ว่าไอแรงพยาบาทที่ที่ผูกพยาบาทกับพระโพธิสัตว์เอาไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเจอกันเมื่อไหร่ก็ต้องคืออย่างพื้นฐานน ะ, ะคนเนี่ยเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ไปเจอคนนั้นเมื่อไหร่ไม่ได้มันหาเรื่องอย่างเงี้ยคือเนี่ยคืออัธยาศัยของเขาเป็นแบบนั้น <educating S 1> ก็คือด้วยผูกเวรไว<ด>้กับพระเทวดานะกับ กับพระโพธิสัตว์ไว้เนี่ยนะก็คือเคยที่เคยผูกเวรกันแต่ว่าในมิลินทะปัญหาเขาก็ถามว่าเจอกันบ่อยไหมจริงๆแล้วห่างกันมากบางทีหลายพันล้านปีจึงมาเจอกันครั้งหนึ่งแต่เจอกันครั้งแต่เจอกันเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องอะอย่างเงี้ยลักษณะนี้นั่นเอง